การเจริญสติเป็นหลักสากลสำหรับทุกศาสนาทุกชาติทุกเพศและก็ทุกวัยถ้าท่านหายใจเข้าออกรู้สึกตัวพลิกมือยกมือขึ้นรู้สึกตัวท่านก็เข้าถึงการเจริญสติได้การเจริญสติอย่างต่อเนื่องในที่สุดจะเกิดดวงตาเห็นธรรมคือเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมร นี่แหละเป็นการประพฤติพรหมจรรย์จะทำให้ท่านบริสุทธิ์และหลุดพ้นได้จริงๆหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนเรื่องราวที่อยากจะรบกวนให้คุณหมอได้แบ่งปันให้กับเพื่อนของเราเนี่ยนะคะก็อยากจะ ไข ถ, ถามในฐานะที่คุณหมอเป็นสัญญแพทย์เนี่ยนะคะก็คงจะผ่านการทรําแผลให้คนอื่นมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่แผลง่ายแผลยากนะคะจะมีแผลอยู่ชนิดหนึ่งค่ะคุณหมอรักษายากเหลือเกินอยากจะให้คุณหมอช่วยชี้แนะวิธีรักษาสักหน่อยเ่ะคะ่ะแผลที่ว่านี้ก็คือแผลประเภทที่บาดลึกในใจของผู้คนนะคะเชื่อว่าอาการ แผลที่บาดลึกอยู่ในใจเนี่ยคงจะมีกันแทบทุกคนแหละนะคะคุณหมอเพียงแต่ว่าจะต่างกันก็ตรงที่ว่าแผลนั้นเนี่ยบาดลึกหรือว่าเรื้อรังขนาดไหนครับ<อ>แล้วก็เจ้าลักษณะเด่นของแผลประเภทที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือมักจะเป็นอะไรที่แต่ต้องเอาไม่ได้เสียเลยนะคะ ถ้ามีอะไรไปสกิดปมตรงนั้นแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีอาการต่อเนื่องเป็นไปต่างๆนาน า, นาอย่างยากที่จะควบคุมได้คุณหมอจะรักษายอย่างไรดีล่ะคะแผลประเภทนี้จะตัดทิ้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะคจะเย็บจะทายาหรือจะให้ยารับประทานขนาดไหนดีล่ะคะครับจริงๆเรื่องของบาดแผลนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่กายหรือว่าบาดแผลที่ใจเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกัน ก็เช่นยกตัวอย่างว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยก็มีหลายความรุนแรงยังไงตั้งแต่เล็กๆน้อยๆขีดขีดควรควรนะไปจนถึงประเภทแบบแผลวอะแแผลสุขภาพตกต่างๆเนี่ยซึ่งไปจนถึงที่สุดก็คือเป็นแผลที่รักษาไม่หายเลยก็มีเช่นเป็นแผลที่เรียกว่าเป็นมะเร็งซึ่งในพวกนี้วิธีการรักษาก็ ว่ากันตายตามความยากความง่ายแล้วก็บางทีอย่างที่ว่ารักษาไม่ได้แม้แต่แผลที่ไม่ใช่เป็นแผลมะเร็งแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากก็อาจจะทําให้เจ้าของแผลเนี่ยตายได้นะหรือว่าเสียชีวิตได้จากการที่เป็นโลหิตเป็นพิษ น, นะหรือไม่อย่างนั่งคือถ้าเกิดแล้วในกรณีที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็เสียชีวิตได้แต่ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลแบบไหนเลยนะครับค่ะ มันจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเรื่องของความเจ็บปวดความเจ็บปวดนะค ะ, นะเรื่องของความเจ็บปวดนี่คือลักษณะของบาดแผลทางร่างกายค่ ะ, คะทีนี้บาดแผลทางด้านจิตใจก็เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือว่าโรคทางจิตใจเราสมมติมันก็ว่าเป็นเหมือนก้อนหินก้อนนึงหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการที่มีอะไรไปขีดข่วนนะคร กับกจิตใจเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติเราสมมุตมมิตมันเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ย่อมจะมีร่องรอยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าร่องรอยมันไม่ลึกเนี่ยบางทีมันก็สามารถที่จะลบเลือนไปได้ตามวันเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแม้แต่ว่าเป็นร่องรอยที่เล็กๆน้อยๆแต่ขีดตั้มที่เก่าบ่อยๆพวกนี้มันก็กลายเป็นการซึมลึกได้เหมือนกันนะพี่สีนะ่ะ หรือว่าแม้แต่ว่าเป็นบาดแผลใหญ่ๆแล้วก็มีการบาดซ้ําๆหรือว่ามีการเกิดบาดแผลนั้นซ้ําๆเนี่ยพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นแผลที่เรียกว่ากลายเป็นแผลใหญ่แล้วก็เป็นแผลที่เรียกว่าไม่หายอ่ะบาดแผลที่ใจของเราเนี่ยอยากจะเทียบให้เห็นว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนหินบาดแผลในขนาดเดียวกันระหว่างก้อนหิน กับส ม, มุติเกลสายกับน้ําเนี่ยสามอย่างเนี่ยถ้าเราเอาอะไรกลงไปขีดในวัสดุทั้งสามอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีร่องรอยที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะไอ ต, ตรงที่เป็นก้อนหินเนี่ยเมื่อเราขีดลงไปด้วยความแรงขนาดสิบมันก็มีรอยขนาดหนึ่งค่ะอ่าซึ่งอาจจะตั้งอยู่กี่วันก็แล้วแต่แล้วอาจจะเลือนไปหรืออาจจะตั้งอยู่เป็นปี กรอยที่เราขีดเนี่ยจะหายไปค่ะแต่ถ้าเกิดบนเจลเนี่ยเราขี่ไปมันมีรอยความลึกขนาดหนึ่งอาจจะเจ็ดวันสิบวันแล้วมันก็เจจางหายไปค่ะแต่ถ้าเกิดเราขีดลงไปบนน้ํามันก็แวบเดียวบาดแผลหรือว่าร่องรอยที่เราขีดไปเนี่ยก็หายไปค่ะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยในสภาพปัญหาที่มันขึ้นในขนาดที่เท่ากันเนี่ยความรุนแรงหรือว่าความซึมลึกหรือว่าความเนื่อนนานของบาดแผลในการรักษาหายเนี่ยก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ ผมจิตเดิมของคนคนนั้นด้วยค่ ะ, ะคสมมติเรามีปัญหาเหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใจหยาบใจแข็งนะก็เรียกเป็นบุรุษใจแข็งเนี่ยบุรุษใจเพชเนีน่ยพวกนี้ขีดไปนี่สิบปีอาจจะยังไม่เคยหายเลยก็ได้ <laughs> ใช่ไหมฮะพอมีใครสะกิจเล็กๆน้อยๆเขาก็เลือดออกนะเลือดตาออกนะไปีนะประเภทจดจำฝังใจใช่ไหม่ค่ะอย่างนี้ทำนองนี้เป็นต้นหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือว่า ในกรณีที่บาดแผลมันก็ไม่ซึมลึกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยไปสะกิดสะเกามันอยู่เรื่อยถูกสะกิดสะเกาอยู่เรื่อยเหมือนมีแผลอยู่ตรงร่างกายเนี่ยแล้วเราก็ไปคอยแคะคอยแกะคอยเกาไปถูกกระแทกกระปุกมันก็เลยกลายเป็นแผลที่รักษาไม่หายเป็นแผลเรื้อรังไปเป็นแผลเรื้อรังแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับแถวขอค่ะนั่นตรงจุดนี้เนี่ยในแง่ของการรักษาทางกายนี่ ก็ถ้ามันลักไม่มากอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ยาปฏิชีว น, นะใช่ไหฮะค่ะแต่มากขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการตัดเนื้อตายตกแต่งแผลทำแผลค่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแผลมะเร็งนี่มีอยู่กรณีเดียวนะคือต้องต้องตัดอวัยวะ น, นั้นต้องตัดทิ้งเลยครับค่ะทีนี้นในแง่งของบาดแผลทางด้านจิตใจเนี่ยพวกนี้ถ้าจะรักษากันจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะจะเรียกว่า จะเอายาทายานวดคงไม่หายนะครับหรือว่ายาแก้ลักษณะตามอาการปวดก็ทานพาราเซตามอล น, นะหรือ ว, ว่าฉีดยาแก้ปวดอะไรไปอย่างนี้มันก็เป็นการบรรเทาไปเฉยๆนะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเวลาเรามีาบาดแผลทั้งด้านจิตใจอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องนะเรากรบเกลื่อนไปนะหรือว่าเรานั่งสมาธิข่มมันไว้ นะครับหรือว่าบริกรรมคําพูดต่างๆเพื่อที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยตกไปจากจิตใจของเราเนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีทางหายค่ะเราทํำยังไล <ะ S 2> งล่ะคะใช้สัญญัศาตร์ทางจิตนะก็คือใช้เรียกว่าต้องเจริญวิปัสนาสถานเดียวเลยลเลยหรอคะ ต, ต้องเจริญสติต้องมีสติต้องมีอัยยันปัญญาขึ้นมาให้ได้มันจึงจะลบรอยหรือว่าตัดโลกที่มัน เลื้อหลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันขาดเอาไปจากจิตใจเราได้ดงนั้นวิธีการรักษาโรคทางจิตใจที่ที่เรียกว่าน่าจะเด็ดขาดที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นผลจากการที่ต้องมาเริ่มต้นที่การเจริญสตินี่แะครับเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยมันเหมือนเป็นการล้างแผลไปด้วยชําระแผลไปด้วยเป็นการชําระล้างสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเนี่ยค่ะ ให้มันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ให้มันเข้าสู่ความสะอาดอนะการที่ขันของเราเป็นโรคฝ่ายนา ม, มาขันก็คือฝ่ายทางนั้นจิตใจมันเป็นโรคเนี่ยต้องใช้ยานปัญญาในการชําระนะครับค่ะต้องชําระมันบ่อยๆชําระมันซ้ซซําๆซากๆเพราะว่ากว่ามันจะกลายปเป็นแผลเลือดล้างแล้วก็กลายเป็นแผลมะเร็งที่มันรักษาไม่หายเนี่ยไอ้พวกนี้จะรักษาไม่ได้ในชาตินี้นะมันส่งเชื้อข้ามภพข้ามชาติได้นะครับพิ่เจมส์ขนาดนั้นนะเลยเหรอคะ โอ้ยน่ากลัวแท้นะส่งผลข้ามพบข้ามชาติอีกทางหากฉะนั้นถ้าเราแก้ไม่ตอดในชาตินี้เนี่ยชาติหน้าเราก็ต้องเจอกับมันอีกอยู่วันยังคำ่ำแต่ฉะนั้นวิธีการที่จะชําระอ่แผลล้างแผลรักษาโรคแผลทางใจเนี่ยต้องต้องอาศัยการที่กลับมาศึกษาตัวที่มาของบาดแผลนั่นเองนะหนีไม่ได้นะยิ่งหนียิ่ ง, งลุกลามหรือ ว, ว่าฆ่ามันไม่พ้นค่ะ นันในกรณีที่ผู้ที่ต้องการจะแก้ปัญหาทางจ qu so, ิตเนี hmm. mm ่ย hmm. จ mm ึงต้องมีการลงทุนนะพี่สีนะลงทุนที่จะเจ็บปวดกับมันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าต้องกลับมาลุกเลกหรือว่ากลับมาศึกษามันมันจะเป็นการหนีมันหรือว่ากลบเปลื่อนมันอีกไม่ได้อีกต่อไปฮะหนีไม่ได้กลบไม่ได้นะคะหนีไม mm ่ไ hmm. ด mm ้กลบไม่ได uh ้ต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเรื่องของความติดหวังเรื่องของความ อะไรต่างๆที่มันทำให้เราทุกข์นะแล้วจิตใจของเราเเมื่อมันประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการสืบสาวค้นหาแล้วก็เป็นการกํำจัดไปด้วยในตัวนะซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยความเพียรนะฮะยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะยอมรับความเป็นจริงอนั้นแล้วก็เผชิญหน้ากับมันด้วยจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็ใช้พลังของสตินี่แหละครับ เครื่องมือในการเยียวยารักษาต่อไปครับตรงที่เราจะทําใจของเราให้ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เราแล้วนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเนี่ยไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายๆเลยนะคะคุณคหมบไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายเพราะมันต้องผานช่วงเวลาผมเพาะมาระยะหนึ่งทีเดียวค่ะใครที่มีปัญญามากอาจจะยอมรับได้ด้วยตัวเราเองแต่ส่วนใหญ่แล้วมักต้องอาศัยกัลยาณมิตรเช่วยเป็นรกระจกส่องอให้ ครับเชื่อถือหรือ ว, ว่าเคารพศรัทธาเนี่ยเป็นผู้คอยชี้แนะให้ครับก็จะช่วยนําพาเราออกจากกองทุกข์ได้ก็เพราะว่าธรรมชาติใจของเราเนี่ยเรามักจะเรียกว่าไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องหรือว่าคาดหวังอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะอย่างนั้นใช่ไหมคะคทาให้เรายอมรับความจริงค่อนข้างยากครับเรามักจะเบียดท่าเขาตอนที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทําอะไรตามเขาเนี่ยฮะ เราถูกครอบงําแบบเบ็ดเสร็จไปเลยการที่เราทําตามอารมณ์หรือว่าทําตามความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจที่มันปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความโมโหโกรธาต่างๆการที่เราทําตามเข้าทุกครั้งเนี่ยกลับเป็นการให้กําลังกับโรคพวกนี้หรือว่าให้อาหารกับโรคพวกนี้ให้เข้าเข้มแข็งยิ่งขึ้นหรือว่ารักษายากขึ้นนะครับคุณหมอกําลังจะบอกอุบายวิธีที่จะเอาชนะ ใจตัวเองโดยการที่ถ้าใจอยากจะทำอะไรแล้วลองทวนกระแสะใจตัวเองบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ะต้องทวนกระแสะะต้องกลับมาเป็นแต่ว่าเป็นผู้ดูเฉยๆนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นถ้าเข้าเป็นผู้เป็นเมื่อไหร่นี่เราเติมเชื้อให้มันวันยังค่ำนะฮะไม่มีทางไม่มีทางที่เอาจชนะมันได้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ดูมันอยู่ดูเท่าที่เราจะดูได้แต่ดูมัน เรียกว่าซ้ำซ้ำซากซๆกนะพยายามที่จะออกจากมันอยู่เสมอเสมอเนี่ยตัวเนี้จริงจะเป็นทางที่จะรอดออกจากโลกถ้าเราคิดว่าโลกที่เราปัญหาคือคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี่นะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทําให้เอ่าไม่ควรขวายที่จะรักษาโลกนะครับเพชรนิรนาค่ะแต่ถ้าคนยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคนะมีทุกข์เราอยากออกจากทุกข์อันนี้นะฮะจริงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อน ค, ค่อยๆหาทางแก้ไขต่อไปนะครับโรงนี้คงต้องเรียกว่าต้องให้ทุกข์ถึงระดับมังคะคุณหมอครับเพราะว่าถ้าทุก์ยังไม่ถึงขีดสุดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะหาทางออกจากทุก์ประมังคะครับก็โดวยวิสัยของผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับม้านะที่ที่โงอ่อะัเวลาเวลาเจ้านายใช้งานเนี่ยไม่ค่อยเรียนรู้ไม่ค่อยจดจาค่ะ นะเจ้านายทางกลับบ้านนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าถอยหลังตรงไหนก็ไม่ค่อยจะจดจำํำนั้นเขาจะต้องถูกเจ้านายเนี่ยเคียนทังตลอดเวลานะแต่ถ้าเป็นม้าที่ฉลาดนะรู้จักจดจําว่าตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ทําให้เจ้านายต้องหงุดหงิดําคาญเนะี่ยนะฮะเขาก็จะไม่ถูกเคียนถูกตีนะฮะใจคนเราก็เหมือนกันถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญานะเขาจะเรียนรู้ว่าอะไรที่ทําให้เขาทุก แล้วก็จะพยายามแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใจคนที่ดื้อดึงนะครมีทิฏฐิมานะมากโดมทั้ ง, งโง่ต่างๆเนี่ยนะพวกนี้ก็จะไม่รู้จักจดจํานะโรคเดิมๆอาการเดิมๆถูกหลอกอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าทุกข์ก็เกิดอยู่แล้วแล้วแล้วเลาไม่รู้จักเก็ดหลาบเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยของคนงโง่ฮะซึ่งพวกนี้มันจะออกมาในโลกของการที่ว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะมีทิฏฐิมานะมากฮะพวกนี้เนี่ย ก็จะเจ็บปวดด้วยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเดิมๆ เ, เรื่องเดิมๆแต่แก้ไม่เคยสาเร็จนะครับเรียกว่าทุกซ้สำซากนะคะกับ แ, แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่อนน้อมนะทำตนเป็นคนที่อ่อนโยนยอมรับความจริงว่าเออเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันมีอะไรที่มันออกจากนี้ได้ไหมมีวิธีใดบ้างที่จะออกจากความทุกข์หรือว่าแก้โลกรักษาโลกนี้ได้เอาธรรมะโอสดเหรอเราลองดูซิเขาทายังไง พอใจก็อ่อนนะ้อมมาจากจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะในการที่จะรักษาโรคของตัวเองก็ยาขนาดที่รักษาโรคเนี่ยต้องปรุงเองนะครับพิ่ชินะนาอ้าวไม่มีขายหรือคะไม่มีขายต้องไปจะถามหาที่ซื้อยาอยู่แล้วปรุงยังไงล่ะคะก็นี่แหละครับก็คืออาศัยความเทียนอาศัยความอดทนอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวหรือ ว, ว่ามีสติสมัชย์ยะนะ รู้ายรู้ใ จ, ใจตามความเป็นจริงเนี่นะรู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่วิธีการกดข่มบังคับพิ่งจ้องประคองไว้นะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ความจริงมากขึ้นความจริงก็คือสัจธรรมนั่แหละนะครั บ, รบก็เรียกได้ว่าอยาขนา น, นี้เนี่ยอย่าหวังว่าจะรับประทานครั้งเดียวหายไม่มีทางนะคะคก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆ แต่ว่าต้องปรุงเองต้องปรุงเองแย่ yeah, ตรงนี้ละค่ะต้องปรุงเองมันอาจจะขืนคม่ะ <c oughs> แล้วว่าสชาติเผ็ดร้อนหน่อยนะ <c oughs> แต่ว่าบ้านปลายของมันคือความสงบเย็นนะซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เราชมรมเพื่อนคุณธรรมอยากให้เพื่อนของเรานะคะลองไปสำรวจตรวจใจของเพื่อนของเราดูสักนิดนึงว่าในใจของเพื่อนของเราเนี่ยยังมีแผล อะไรติดค้างอยู่บ้างไหมนะคะถ้ายังมีแผลประเภทใดติดค้างลงเหลืออยู่ในใจเนี่ยก็ลองวิธีการที่คุณหมอกำพลพันชนะแนะนำนะคะขั้นแรกคือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเราก่อนใช่คะ ค, คุณหมอแล้วก็ค่อยๆถอนความทุกข์ทั้งหลายออกไปด้วยวิธีการเจริญสติใช่ไหมคะคุณคหมอปัญญ า, าของพระพุท ธ, ธเจ้านี่นะครับค่ะแล้วก็อย่าเร่งร้อน ว่าจะต้องหายวันหายคืนนะคะ ค, ค่อยทำไปอยากให้หายิย่งยิ่งไม่หายนะจะกลายเป็นแผลติดเชื้อใช่ไหมคะคเดี๋ยวจะเรื้อรังหนักยิ่งขึ้นนะคะ ค, ค, ค่อยทำค่อยไปแล้วผลเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในทางที่ดีแน่นอนแต่อย่าใจร้อนเป็นอันขาดอันนี้เน้นย้ำ ม, มากค่ะลงมือทำช้าๆครับค่ะครเริ่มต้นที่จะรักษาตั้แต่วันนี้เลยนะคะครับผมแล้วก็ผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่นานไม่ช้าเกินรอแม้ว่าในชาติปัจจุบันนี้รักษาไม่หายขาดก็ถือได้ว่าส่งผลข้ามพบข้ามชาติไปได้เบาบา ง, งกว่าเดิมจจนะคะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเอาไว้แล้วจะได้ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ทุกน้อยลงเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่เลยนะคะ